บทสรุปมนุษย์เป็นสัตว์วิเศษต้องเพิ่มเดท ด, ด้วยฉันทะมิใช่จะมัวเป็นทาตของตันหาถึงตอนนี้ควรจะลงข้อสรุปสิททีหนึ่งมีสภาพความจริงที่เป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาอยู่ว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุทุชนย่อมยังมีตันหา การที่จะให้มนุษย์ผุ้ถูชนเหล่านี้ทำการใดโดยไม่มีตัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องชักจูงด้วยเลยนั้นเป็นอันแทบไม่ต้องหวังดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวว่าคนจะไม่มีตัญหาข้อควรคำนึงอยู่ที่ว่าตันหาเป็นสิ่งมีโทษเป็นตัวการก่อทุกข์หรือปัญหาทั้งหลายทั้งแก่บุคคลและสังคมจึงต้องหาทางแก้ไขไม่ให้มีโทษภัยเหล่านั้นวิธีแรกคือ ละหรือไม่ให้เกิดขึ้นอย่างสิ้นเชิงซึ่งทำได้โดยการดับอวิชาด้วยปัญญาแล้วดำเนินชีวิตด้วยปัญญาอย่างเดียวแต่สำหรับปุตุชนผู้ดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งล่อเรา้าเย้ายวนและเรื่องราวกระทบกระทั่งต่างๆโดยยังมีอวิชาตัญหาอุปาทานพรั่งพร้อมอยู่ภายในคอยรอขานรับสิ่งล่อเรา้าเป็นต้นนั้นอยู่ตลอดเวลาถึงจะระมัดระวัง นึกอยากจะใช้ปัญญาเพียงไรก็อดไม่ได้ที่จะเผลอปล่อยให้ตันหาได้โอกาสแสดงบทบาทเบาบ้างแรงบ้างโจงแจ้งหรือไม่ก็แอบแฝงไม่ที่จุดหรือขั้นตอนแห่งใดก็แห่งหนึ่งหนทางแก้ไขที่พึงเน้นก็คือการพยายามใช้และปลูกฝังฉันทะที่เป็นความต้องการสิ่งดีงามขึ้นมาให้เป็นตัวชักนำการกระทาให้มากที่สุด มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีสมองจเจริญมากแล้วจะอยู่ด้วยอวิชชาตันหาอย่างสัตว์ทั้งหลายอื่นไม่ได้จะต้องมีความต้องการภาวะดีงามหรือความไฝ่ดีเป็นแรงควบคุมหรือถ่วงคานไว้บ้างมิฉะนั้นก็จะสามารถทำความชั่วร้ายก่ออันตรายได้อย่างร้ายแรงที่สุดเพียงเพื่อได้สิ่งเสพเสวยสุขเวทนาหรือปกป้องเสริมรักษาความมั่นคงถาวรแห่งอัตตาของตนหรือหาทางพ้นไปจากสิ่งที่ไม่ถูกใจไม่ปรารถนา มนุษย์จำนวนมากทีเดียวแม้แต่เมื่อรู้จักฉันทะบ้างแล้วแต่ตันหายังแรงกล้าเกินไปก็ยังทนทำการโดยทางดีตามที่สำนึกแห่งความดีหรือสังคมกาหนดไม่ให้ตลอดไปไม่ไหวคอยแต่จะหลีกไปหาทางลัดเพื่อให้ได้สิ่งที่ตันหาต้องการเรื่องของผู้ทุชนทั่วไปจึงยังอยู่ในขั้นของการเลือกเอาระหว่างการดารงอยู่เพียงด้วยแรงตันหายอย่างเดียวหรือ ปล่อยให้ตันหาเป็นตัวนำครอบงำพฤติกรรมส่วนใหญ่กับการที่สามารถเชิดชูชันทะให้เป็นตัวเด่นขึ้นมาและนำชีวิตให้หลุดพ้นจากอำ น, นาจบงการของอวิชชาตันหาอุปาทานมากขึ้นโดยลำดับข้อควรปฏิบัติก็คือถ้าเป็นไปได้ควรให้มีแต่ชันทะลนล้วนแต่ถ้าทำไม่ได้ยังยอมให้ตันหาออกโรงก็ควรหันเหให้เป็นตันหาที่หนุนชันทะ คือเป็นปัจจัยแก่ฉันทะเมื่อสามารถสร้างเสริมฉันทะขึ้นมานำพฤติกรรมได้ตันหาก็ถูกควบคุมและขัดเกลาไปเองในตัวอย่างนี้จึงจะเป็นวิธีการละและควบคุมตันหาตามหลักพุทธธรรมไม่ใช่ไปคุมไปกักกดไปละลดกันทื่ออย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่รู้ที่ไปที่มาปล่อยให้อวิชชาสมตัวหนุนอยู่หลังตันหาจะยิ่งก่อผลร้ายมากกว่าผลดี